ขอ ก, กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบ า, าจารย์ต่้งแตหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบตรวะาอาจารย์วัฒนชัยพอาจารย์สุรินพันเทเพื่อนสาธรรมิกก็เจริญพรแม่ชีอุบาสกุบาศิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่ง ปกตินะถ้าใครรู้สึกง่วงก็ขยับไม้ขยับมือยกมือก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆอาจจะง่วงหลับง่วงนอนเรานอนมาประมาณสัก6ชั่วโมงละนะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนอนซะห6ชั่วโมงอยู่ใน เวลาที่ทำกิจกรรมประมาณ18ชั่วโมงนะนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราชส5 5พัตรงกับวันขึ้น14บนะ่ค่ำเดือน11พรุ่งนี้ก็ขึ้น15คหนะ้าำตรงกับวันออกพรรษา ซึ่งทั้งพระภิกษุที่บทใหม่ก็ดีและก็ญาติโยมนะที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีนะพวกนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะสำหรับกลุ่มปฏิบัตินะหรือว่าพระที่บทใหม่ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะที่จะลาสิกขาไปหรือบางบางท่านก็อาจจะยังอยู่นะนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นกำหนดเวลานะฮะเป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันนะการอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็เป็นชีวิตแห่งการเรียนรูนะ้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดชีวิตที่เราอยู่ในโลกในสังคมส่วนใหญ่นะเราก็ไปเรียนรู้ นะเรื่องข้างนอกนะเรื่องนอกตัวจะเป็นส่วนใหญ่การเรียนรู้เรื่องข้างนอกเนี่ยมันก็มีประโยชนนะ์ในแง่ที่เราจะไปใช้ในการมีชีวิตในการติดต่อสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์สังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราก็ไม่หลงลืมนะที่จะมาเรียนรู้กายใจของเรา เพราะในการเรียนรู้เรื่องโลกข้างนอกเนี่ยนะบางครั้งนะเราก็เผลอไปบ้างเราก็หลงไปบ้างนะก็ทำให้เรามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างนะก็สุขๆุทุกทุ ก, ทกนะอยู่ร่ำไปในแต่ละวันนั้นเราต้องกระทบกับโลกนะก็คือสภาพแวดล้อมนะที่มากระทบทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจนะอันนี้ก็เป็นประตูนะที่ทำให้ใจของเราเนี่ยไปรับรู้โลกนะซึ่งผู้ที่มีสติมีความรู้สึกตัวนะก็จะมีความรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนะของสิ่งต่างๆ นะตรงนี้เป็นจุดสำคัญการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะทำให้เหล่านั้นนะสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะด้วยความเป็นปกติสุขนะเรียกว่าเป็นความปกติสุขความปกติเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วในทุกคนขณะที่เรานั่งฟังอยู่ขณะนี้ ถ้าเราไม่ง่วงหลับง่วงนอนเรามีความตื่นตัวให้สังเกตดูจิตใจของเราเป็นปกติไหมนะถ้าเราง่วงหลับง่วงนอนนะใจเราก็ไม่ปกติแล้วนะมันก็มีสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นนะไม่ให้เราได้ไปสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะก็คือความง่วงเงาหานอนนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเคยชิน เก่าๆการที่เรามาดูนะไปที่กายไปที่ใจของเรานะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะให้เราเรียนรู้นะความจริงของชีวิตชีวิตของเราโดยส่วนใหญ่นะที่เราอยู่ในโลกหรืออยู่ในสังคมนะส่วนใหญ่เราก็มักจะเป็นชีวิตที่เป็นไปตามความคิดความนึก นะความคิดปรุงแต่งต่างๆนาะนาะความคิดปรุงแต่งเนี่ยพาให้เราท่องเที่ยวนะไปในสภาวะต่างๆนะดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเรายังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ท่องเที่ยวไปในสงสารคำว่าท่องเที่ยวในปในสงสารในที่นี้เนี่ยนะ ก็คือการที่เราท่องเที่ยวไปในกระแสะความคิดนั่นเองซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดไม่รู้กี่เรื่องนะนักวิทยาศาสตร์เขาสารวจมาพบว่าวันหนึ่งเราคิดประมาณ5 0 0 0มืนกว่าเรื่องนะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะ5 0 0 0มืนกว่าเรื่องเรามาอยู่ที่นี่ตีซะว่า6วัน50 0 0มืนเรื่องเท่า6คูณได้เท่าไหร่ส0 0 0นเรื่อง นะ่าคิดเหมือนกันนะถ้าเป็นพระที่บวชในระหว่างพรรษาเอาสามสิบคูณโหเป็นล้านเลยนะเรียกว่าท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาแนะนะในปฐมพุทธภาษิตนะเพราะฉะนั้น <c oughs> การเวียนไหวตายเกิดเนี่ยนะในพระคำพีก็พูดไว้ทั้งสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือการเวียนไหวตายเกิดนะที่เป็นกายนะ ที่เป็นกายและก็การเวียนว่ายแต่เกิดในสภาพของจิตหรือความคิดนะซึ่งในส่วนที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายนะด้วยการที่เราอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตาในเป็นตาใจนะที่จะดูลงไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยนะ โอ้โหมันท่องเที่ยวไปไม่รู้เท่าไหร่หนะวันหนึ่งนี่ยห้าหมืนเรื่องนะปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วถ้าเราอยู่ถึงเจดิปีมันเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่าอาสงไข่เนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันพราอย่นั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ทีเดียวนะทีนี้ในการเรียนรู้เนี่ยนะบางคนนะเท่าที่ได้สังเกตผู้ที่มาปฏิบัติ นะบางคนที่มาใหม่เนี่ยบางทีเออไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะบางคนเนี่ยเคยปฏิบัติมาแล้วนะด้วยวิธีการอื่นก็ยังงงๆ ง, งยังสงสัยอยู่นะมีอยู่คนหนึ่งเขา้ามาถามว่าเอ๊ะที่นี่ไม่มีสอนสมาธิหรอนะมีแต่การยกมือเท่านั้นหรอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความเข้าใจนะว่า การทำกรรมฐานก็คือการมานั่งนิ่งๆหลับตานะให้ใจเราสงบให้เรามีความสุข น, <_ d ata> นั่นน่ะคือภาวะที่เราคิดว่านั่นน่ะคือจุดหมายของพุทธศาสนาจุดหมายของการฝึกกรรมฐานที่จริงอันนี้เป็นเพียงแต่ทางผ่านเท่านั้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าความสงบที่เกิดจากการนั่งนิ่งๆเนี่ย เท่าที่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์โกวิดเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียในประเทศอิลักเนี่ยมีภาพฝาผนังของลูซีคล้ายๆลูซีนะนั่งสมาธิหลับตาซึ่งอายุของภาพฝาผนังนี้ประมาณ 4,000 ปีที่แล้วก็แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการศึกษามาก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเรียนรู้ นะเรื่องนี้กับอาจารย์สองท่านนะคืออาลาะดาบทกับอุทกกระดาบทนะก็ได้ความสงบในขณะที่เรานั่งนิ่งๆนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแก้าการพักใจเป็นความสงบชั่วขณะเท่านั้นเองนะแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าการที่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านนั่งสงบแล้วท่านจะไม่รู้ท่านรู้เพียงแต่ว่า สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนไม่ถึงที่สุดมันเราไปหยุดแค่สงบนะขณะที่เราใช้ลมหายใจเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วเราก็ตื่นรู้ไม่ได้สงบนิ่งเหมือนกับการที่เรามายกมือนะการยกมือก็คือการที่เรามารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะทำไมเราจะต้องมายกมือด้วยการที่เขาจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องใจเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเอาความคิดเข้าไปเรียนรู้ไม่ได้จะไปจับมาก็ไม่ได้เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนใจมันติดกับกายกายเป็นสิ่งที่มีตัวตนนะแล้วก็มันมีเครื่องมือ่นะสิ่งที่จะสัมผัสได้และก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะนั้นเราจึงมาทำการเคลื่อนไหวการทำ แบบปรุงหายใจก็อาศัยการเคลื่อนไหวของลมเหมือนกันแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันจะเบานะแล้วก็มันจะกําหนดได้ค่อนข้างยากนะแต่การเคลื่อนไหวด้วยมือด้วยขาเนี่ยมันชัดนะมันเป็นาการเคลื่อนไหวที่เห็นชัดการเห็นในที่นี้ไม่ใช่ได้ใช้ตาเห็นนะแต่ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวเห็น ทีนี้เราได้ผ่านได้ฝึกมาหวั น, นะวันนี้เป็นวันที่หพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็หลายคนนกะ็คงจะพอจับได้นะว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรบางคนอาจจะยังงงงงสงสัยอยู่ก็ไม่เป็นไรน ะ, นะเราลองมาทบทวนดูว่าวันแรกที่เรามาเนี่ยเรา ง, งงงงมากๆเลยนะว่าเอ๊ะมาทำอะไรโดยเฉพาะคนที่ใหม่ แต่คนที่เก่านี้คงจะรู้แล้วมาทำอะไรทำไมต้องทำแบบนีนะ้คนที่มีการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอุปสรรคสำคัญก็คือการคิดหาเหตุหาผลและจะมีคำถามว่าทำไปทำไมทาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไอความคิดตรงนี้เนี่ยนะมันทำให้บางทีเราก็ยังไม่มีศรัทธาที่จะทำนะหรือยังทำได้ไม่เต็มที่นะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน่ะก็เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันน้าที่เน้นให้เราคิดก่อนน้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านความคิดเราเชื่อว่าอย่างนั้นแต่การมาเจริญสติเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะมันไม่ต้องหาเหตุหาผลเลยนะทำตรงๆไปที่ความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวแล้วคาตอบมันจะออกมาเอง มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผ่านการเจริญสติไม่ได้ผ่านความคิดนะเพราะว่าความคิดเนี่ยนะเป็นตัวที่ทาให้เราหลงลืมได้ง่ายลืมตัวได้ง่ายนะและความคิดเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งที่มีสารพัดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เล่เหลี่ยมหรือก้นลวงของความคิดเนี่ยนะชีวิตก็จะเป็น ชีวิตที่สุขๆุทุกทุกเป็นชีวิตที่พอใจไม่พอใจแต่ถ้าเรามารู้สึกตัวที่กายเนี่ยกายเนี่ยมันซื่อตรงนะมันไม่เคยโกหกเราเลยนะถ้าเรานั่งนานนามันเมื่อยมันก็บอกว่าเมื่อยแล้วมันไม่โกหกเลยเมื่อมันร้อนมันก็บอกว่าร้อนมันเย็นมันก็บอกว่าเย็นนะตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้สึกที่กายเนี่ยนะเป็นการที่เราเข้าไปสัมผัส กับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะที่มันซื่อตรงแต่ความคิดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ เ, เปลี่ยนแปลงได้ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็บางทีก็ไม่จริงนะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าสมมุตินะโลกของสมมติโลกของความฝันนะความคิดปรุงแต่งโดเพราะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิด เพราะนั้นการที่เรามาทำความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวบ่อยๆตรงนี้ต้องเน้นว่าบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วนะมันตื่นตัวขึ้นฉับไวขึ้นการมาทำเจริญสติเราไม่ได้มาสร้างสติหรือมาสร้างความรู้สึกตัวใหม่นะแต่เรามา พัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีความฉับไวขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดซึ่งอารมณ์ความรู้สึ ก, ค ว, ก, ค, ค, วสกความนึกคิดเนี่ยมันไวมากไวกว่าแสงนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเราก็จะโดนอารมณ์ โดนความคิดนะมันหลอกให้เราดีใจเสียใจนะหลอกให้เราฝันไปในเรื่องราวต่างต่านะทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะจิตใจของเราก็ไม่เป็นปกติเพราะนั้นการที่เรามาเรียนรู้เรื่องพวก น, นี้เนี่ยนะเรามาเรียนรู้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามนะ หรือแม้แต่ปกติก็ตามนะเราก็รู้ตรงนี้เห็นตรงนี้วันแรกที่มาคงจะจำได้เป็นวันที่เราง่วงที่สุดเป็นวันที่เราเมื่อยที่สุดนะเป็นวันที่เราเบื่อที่สุดสิ่งเหล่านี้ยคือธรรมะเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการของกายเป็นอาการของใจที่เขาแสดงให้เราดู แต่เมื่อวันวันแรกเนี่ยหลายคนอาจจะทรมานมากและอาจจะรู้สึกเขตดขยาดนะเพราะตั้งใจว่าจะมาฝึกปฏิบัติจะได้พบกับความสงบความสุขความเย็นความไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งอันนั้นก็เป็นความคาดหวังเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแต่ธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามความคิดของเรา แต่เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้เข้าใจนะแล้วก็ปรับตัวนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตไหมว่าวันแรกเนี่ยแม้ว่ามันจะง่วงกระตามเราก็หลับๆตื่นๆนะแต่เราไม่กลับไปนอนนะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยสังเกตดูไหมความง่วงมันลดลง ความปวดเมื่อยก็มีแต่มันก็ลดลงเรารู้จักการปรับเปลี่ยนทุกกายเนี่ยเราไปแก้หรือไปปลดปล่อยมันไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่เราสามารถบรรเทาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเช่นเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเราก็ปรับเปลี่ยนนะมันก็บรรเทาเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ย สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะนะอย่างเช่นเราง่วงเนี่ยเมื่อเราลุกเดินความง่วงมันจะหายไปทันทีเลยนะหรือบางทีความคิดเนี่ยแล้วนะพอมันคิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยนะมันจะหายไปเลยนะเรียกว่ามันเร็วมากชั่วพลิบตาแต่แรกๆเนี่ยเมื่อความรู้สึกตัวของเรายังไม่ชัดเนี่ยมันก็ยังไม่จบหลัก มันก็คิดต่อเนื่องเป็นเรื่องบรรลาวไปนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเคยชินที่เราไม่รู้ตัวก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะเป็นประสบาการณ์ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปจดจำจากในตำรับตำลาหรือได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ความจริงอะ มันเป็นสิ่งที่ได้ยินในฟังมาแต่เมื่อเราประสบกับตัวเราเองงะเรานั่งเราปวดเราเมื่อยเราคิดนึกปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายนะไม่ค่อยเป็นปกตินั่นนะความทุกข์ที่มันแสดงตัวการเรียนรู้ณนะความจริงของชีวิตเนี่ยจะ ต, ต้องเรียนรู้ลงไปในกายในใจของเรานะโดยไม่ต้องผ่านตัวหนังสือก็ได้ไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ เราอ่านลงไปในใจในกายของเรานี่แหละตรงๆพระเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมนะไม่ต้องผ่านภาษานะในกาเรียนรู้ด้วยตัวเราเองลงไปตรงๆที่กายที่ใจของเราการเรียนรู้ในเริ่มต้นเนี่ยก็คือดูที่กายก่อนนะมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะ ถ้าเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆในที่นี้หมายถึงว่าเรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆวันหนึ่ง2 4ชั่วโมงเรานอนสะ6หชั่วโมงเราตื่นสะกชั่วโมงใน18ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราคิดเป็นวินาทีนะชั่วโมงละ3600หวินาทนะีถ้า18ชั่วโมงเนี่ยลองคูนเข้าไป นะกี่หมื่นวินาทีถ้าเราพิกค ร, รั้งหนึ่งเรารูนะ้ครั้งหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันกี่หมื่นรู้แล้วหกวันกี่แสนรู้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเหมือนกันนะเป็นแสนแสนวินาทีเพียงแค่หกวันนะสำหรับพระภิกษุ ท, ที่บวชใหม่นี่ก็เอา 15คูณเข้าไปเป็นล้านเลยนะเรียกว่าล้านทูเลยนะถ้าเรารู้ต่อเนื่องเพราะฉนั้นถ้าความรู้มันต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมาการตื่นตัวเนี่ยมันจะตื่นตัวที่กายก่อนที่เห็นชัดๆเลยนะกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเราเริ่มรู้สึกกับกายที่โยกโครงแล้วนะเรารู้สึก คนลุกชันขึ้นมาบางทีนะหรือบางทีสิ่งที่เราไม่เคยสนใจเลยเช่นเสียงจิ้งหรีดมันร้องอย่างเงี้ยเสียงนกมันร้องอย่างเงี้ยไส้เดือนที่มันขึ้นมาเล่นน้ำอย่างเงี้ยขางคบที่มันกระโดดหยองแยงหยองแย ง, ยงเนี่ยนะมันก็เริ่มที่จะมาใส่ใจสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ก่อนเราจะไปสนใจเรื่องข้างนอกนะตรงนี้เนี่ย การสัมผัสกับอากาศที่ร้อนอากาศที่เย็นความชืน้นความแห้งนะตาที่กระพริบลมหายใจเข้าลมหายใจออกน้ำลายที่คืนลงไปในคอนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะจากการที่ทำอย่างต่อเนื่องนะต่อเนื่องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบนะแม้ต่การขบฉัน แต่ก่อนเราเคยกินข้าวโดยไม่รู้สึกตัวกินไปอย่างนั้นะเหมือนเครื่องจักรอันหนึง่งกินไปก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เมื่อความรู้สึกตัวมันตื่นเนี่ยเราก็เริ่มมาสัมผัสกับความละเอียดอ่อนของการเคี้ยวการกลืนการกิ น, ก า, ก, นการลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจืดเราจะได้สัมผัสแม้แต่ ข้าวเปล่าเนี่ยมันก็สัมผัสได้นะรสชาติของมันมันมีรสหวานหน่อยๆนะหรือมีรสชาติต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะจนความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมาจากที่มันเฉยนะถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มทํางานและ มันจะเริ่มไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจลนะจริงๆความรู้สึกภายในใจเนะี่ยเราก็เห็นอยู่เหมือนกันนะแต่บางทีมันเห็นเห็นนิดๆหน่นนอยๆเป็นบางช่วงบางขณะแต่เมื่อความรู้สึกตัวของเราตื่นขึ้นดีเนะี่ยมันจะเห็นได้ง่ายขึ้นเห็นได้บ่อยขึ้นเห็นได้ทีขึ้นนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยนะเพียงแค่มันเห็นอะไรไม่พอใจขึ้นมาเนะี่ยมันเริ่มจะ ง, งุดหนะิตเนี่ย เรียกว่ามันจะก่อวอดเนี่ยเราเห็นเลยเพราะนั้นก็บอกเจะชนะความโกรธได้ยังไงใช้สติเนี่ยใช้ความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าไปดับไฟตั้งแต่ต้นเหตุคือไม่ให้ไฟมันเกิดถ้าโกรธนี่แสดงว่าโอ้โหมันมันมันไฟมันลุกแล้วลุกขึ้นในใจแล้วแต่ถ้าความรู้สึกตัวของเราที่ฝึกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพียงแค่อะไรขยับขึ้นมาเนี่ยมันเห็นแล้ว เพราะการที่เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะ เ, เป็นการสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะอยู่บ่อยๆเราเห็นใจที่เป็นปกติได้บ่อยๆมันเหมือนกับเราเห็นผิวน้ำที่มันราบเรียบแม้แต่ขนนกลงไปนิดนึงมันเห็นทันทีอันนี้ก็เหมือนกัน ใจที่เป็นปกติที่เราสัมผัสมันอยู่เรื่อยๆเห็นมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยอะไรเกิดขึ้นภายในใจนิดนึงเนี่ยมันรู้ทันทีเลยพระนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองประนั้นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะการที่เราเห็นกายนะแล้วก็เข้าไปเห็นใจ นะซึ่งใจมันแสดงออกมาในรูปความสุขความทุกข์ความคิดปลุงแต่งต่างๆนานาหรือแม้แต่ความคิดที่มันว่าไวที่สุดไวกระแสงแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยวไวกว่าความคิดเราคงเคยได้ยินคําพูดที่เราพูดว่าระลึกนึกคิดมันจะระลึกก่อนแล้วมันก็นึกแล้วมันก็คิดคิดนี่มันมาทีหลัง เพราะความระลึกเนี่ยระลึกก็คือรู้สึกตัวระลึกสติสัมปชัญญะและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นการเจริญสติโดยวิธีนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะเราระลึกรู้สึกตัวเป็นสัมผัสแรกซึ่งสัมผัสนี้มีมาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่เราเป็นเด็กที่เรายังไม่มีโลกของความคิดมากเราจะ มีความรู้สึกตัวที่เป็นสัมผัสที่บริสุทธิ์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นบ้านที่แท้จริงนาะของเรานะที่มันมีทำให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคจิตโรประสาททำให้เราเนี่ยมีความเป็นปกติสุขเพราะนั้นครูบาอาจารย์ บางท่านนะเช่นอาจารย์พุทธทาสนะท่านพูดไว้ชัดนะว่าใจของเราเนี่ยมันประพัดสรมันส่องสว่างนะแต่ที่มันมัวหมองนั้นเพราะมันมีกิเลจรมาเพราะนั้นจริงๆกิเลสเนี่ยไม่มีนะเพียงแต่ว่าเราเผลอแล้วมันก็เข้ามาเป็นบางครัง้งบางข่าวเป็นบางขณะเท่านั้นเองเพราฉะนั้นใครบอกว่า โอ้โหกิเลสเยอะมาปฏิบัติทําไม่ได้หรอกบอกก็เลยไม่มีหรอกกิเลสแต่คําว่าไม่มีในที่นี้ไม่ได้หมายกาว่าในชีวิตประจําวันเราจะไม่มีนะมันจะมาเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งที่เราเผลอเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามันมาเรียกว่ า, บ, าบังคับกดข่มให้เราทําตามเช่นความโกรธ เวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพูดออกไปมันก็จะแสดงกริยาอาการออกไปนซะ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทันมันจะแก้ไขได้ทันทีมันจะปรับสมดุลได้ทันทีเพราะการเจริญเสติอย่างต่อนเนื่องที่เราทำกันอยู่เนี่ยมีอานิสงส์มากมีผลมากนะ่าเป็นสิ่งที่เราทาขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขแล้วก็ยังทำการนำงานมีชีวิตตามปกติของเราคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้หมายก็ว่าจะต้องมาอยู่วัดจะต้องมานุ่งขาวห่มขาวถือศีลแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีใจเป็นปกติพร้อมที่จะทำการงานพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ แล้วก็จะมีความสุขที่มีอยู่แล้วในใจเรานะเป็นความสุขที่เกิดจากจิตปกตินั่นเองจิตปกตินั่นแหละเป็นของขวัญที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขตามธรรมชาตินะความสุขจากภายนอกนั้นเอาจริงเอาจังไม่ไดนะ้แต่ความสุขนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา และสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะไปเป็นของกํา n ันของฝากให้กับคนที่บ้านนะก็คือความเป็นปกติของใจของเรานั่นเองแล้วก็เอาไปใช้ในการงานในชีวิตประจำวันนะทำให้เรามีเ อ, อ่อความขยันขันแข็งมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการใช้ชีวิตนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ได้มาวัดป่าสุกโตเพียงแค่6วัน7วันนะแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่ชีวิตแห่งความหลงชีวิตในฝันตามที่นึกคิดปรงแต่งไปต่างๆนาน า, น า, นาน เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวชีวิตที่เป็นจริงในแต่ละขณะนะชีวิตแต่ละขณะของเราเป็นความจริงที่เราสามารถสัมผัสได้นี่แหละเป็นของขวัญของกำนันที่เราจะเอากลับไปกับตัวเราแล้วก็เอาไปฝากคนที่บ้านแล้วก็เอาไปทำต่อถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกนะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะ ของชีวิตของเรานั่นเอง น, นี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วก็วันนี้นท่านจารยงสินก็พยายามที่จะใช้พวกเราลงดพูดเพื่อภาวนาลองดูนะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนลองดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเราลองงดพูดเนี่ยมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีไหมวันนีน้ตั้งแต่ตื่นยันหลับ สิชั่วโมงชั่วโมงละ 3,600 ันรู้นะเอา18คูณมาได้กี่หมื่นรูนะตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าอย่าไปตั้งใจเกินไปเอาให้มันพอเหมาะพอดีนะให้มีความรู้สึกตัวนะต่อเนื่องนะเผลอบังกรช่างมันเริ่มต้นใหม่การเจริญสตินี้เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนะเผลอแล้วแล้วไปกลับมารู้สึกตัวไว้ได้บ่อยๆ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ก็เอาไปพิจารณากัละกันนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนะกลับไปรู้สึกตัวที่ตัวเราเองไม่ต้องจดจำไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเร า, าสมกับดังที่บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่จากัด การเวลานะนี้เป็นสิ่งที่าฝากเอาไว้ในท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของภาษีรัตนไตรยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วจนมาถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรา นี่คือพุท ธ, ธะองค์แท้ที่มีในตัวเราพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่แสดงหรือปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกขณะดูมันด้วยความรู้สึกตัวจะพอใจไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่เราควรดูประสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้เข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วและตัวเราที่กาลังประพฤติปฏิบัติ ในการเจริญสติด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะคงจะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็นกับความจริงของชีวิตก็คือความเป็นปกติของใจเป็นที่สุดแห่งทุกในเรยววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร